ไปไปคาร์ลตรวจหมอยูบิบมบ้างไหมค่ะวันรแรกกลางวันแรกท่า น, า ก, านาก็ที่วัดไม่มีไฟนะคคุณโยมแม่ท่านาก็น่าสงสารมากคคุณีจริงๆรู้จักกับกับครอบครัวของท่านมาตั้งแต่ยิงไปท่านตาด้วยกันนะคะก็เลยร้น่าสงสา ร, รเป็นทั้งแม่ที่รู้สวาถาเธอจริงๆเพว่ามัน ลำทำใจลำบากมากเพรคนด้วความรู้สึกของคนที่เป็นแม่นะคะคืออย่างตอนเผานก็ขึ้นไปบนเมรกกับออกมาเขาบอกว่าทำไมต้องมาเผาลูกขึ้นมาเผาแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็ดีค่ะเป็นวิบากกรรมทต้องเป็นธรรมดาเป็นนครชาติ เขาเข้าใจารู้สึกของคนที่เป็นแม่เราไม่ชอบดูเฉยๆเราชอบไปเป็นผู้เล่นด้วยเป็นตัวละครด้วยเราต้องดูว่าเราเป็นเพียงแต่ดูละครฉากเหมือนกัร่างกายเป็นตัวละครแต่ใจเป็นคนดูแต่ใจไม่ยอมดูหรือเฉยชอบไปเล่นกับร่างกายชอบไปเป็นร่างกายร่างกายเป็นอะไรก็เลยคิดว่าร่างใจเป็นคนดูเป็นไกับร่างกาย เราแยกคนดูออกเดียรู้สึกดใจว่าเดี๋ย ว, ว, วนี้คนมันทำ้ายพระได้ขากตออย่างนี้มันคนห่างไกลอยากสินธรรมมากขนาดนันก็นันจะเป็นอย่างนี้ธรรมดาโลกเสื่อมัมนไม่อยู่ในโลกเสื่อมยุคเสื่อมตรงนี้ก็เลยขอจะเข้าใจว่าทำไมท่านอาจารย์ถึงพยายามเร่งพูด มไม่ไดพยายามมันก็เป็นหน้าที่ถึงมันติวเขอบอกวันนี้เขไม่อยากมากวนท่านแจนครับเพราะวันมาค้าท่านแจนคนเย อ, อะเขาไม่อยากโหลดนะนพยายามพิจารณาสังขารนางไกลด้วยเนาะของเขาของเราเหมือนกันต้องไปด้วยกัน ถ้าเรารู้ทันเราไปอย่างสบายเราไม่ทุกข์ถ้วเราหลงเราก็จะคิดว่าเราตายความจริงเราไม่ได้ตายเปแบบ่า่งกายเราไม่เราไม่เจอตัวเราเราไม่เจอตัวรู้เราไปอยู่ที่ตัวนั่นตายก็เลยคิดว่าเราเป็นร่างกา ย, ยต้องดึงใจให้อยู่กับตัวรู้ให้กลับมาอยู่ที่ตัวรู้ดึงออกจากร่างกายต้องภาวนาเพืจะออกมาได้ พุทโธพุทโธทำใจให้รัวแล้วก็ออกจากสมาธิจะคอยสอนใจว่าไม่ใช่ตัวเราของเราเนะียเดี๋ยวต้องไปแล้วเนะี่ยเวลาไปนี่เราต่อรองเขาไม่ได้เนะยเขาจะเอาเราอย่างเดียวนะเราก็ต้องเราก็ต้องสู้เขาเอาไปเลยเลือ <c oughs> <c oughs> แล้วเลีเ้ยงดูมานานพอแล้ว มัไม่มีประโยชน์ไดเลยดังนั้นถ้าถึกได้ทําเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ในสภาวะอย่างนี้เราก็ยังทํำไหมคะท่านทำใจมันเอก า, กออ า, อาสกับสติเยอะแยะหลวสติปัญญาเป็น ส, สติปัญญาตโนธแล้วมันหนุตลอดเวลามันเตรียมตัวอยู่ตลอดเวลามันเตรียมตายยอู่ตลอดเวลา ทางกายพ ย, ยุงหายใจเท่าออกวานานรูติดรู้อยู่ตลอดเวลาต้องเป็นตัวเองทดสอบตัวเออยู่เรื่อยๆ ไ, ไงพ้อมตายหรือยัง <c oughs> ลูกประมาณว่าเหมือนกับเราเท่าจำหรอถ้าเรายังไม่เคยลงสนามสอบงอเจอของจริง <c oughs> มันยังไม่ จ, จ ำ, ต, จำต้องเจอของจริงด้วยต้องไปเจอเสือเจออะไรที่น่ากลัวต้องไปเจอสิ่งที่น่ากลัวมันมันจะจริง ตอนนี้มันก็ยังไม่จริงตอนนี้ก็ยังเหมือนกับโชคกระสอบทรายอยู่โชคกระสอบทราก็บโชคพู่ตอบตู้นี่เหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าไม่ชคเลยตองมีตอนนี้ซ้อมกันต้องซ้อมตลอดเดี๋ยวพอไปเจอของจริงจะได้จะได้สู้กับเข้าได้เหมือนทำกันบ้านพอถึงเวลาสอบก็ทำข้อสอบได้เพราะข้อสอบมันก็มาจากการบ้านที่เราทำเลยแหละอันเดียวกัน พยายามพิจารณาอยู่เรื่อยๆความตายาพยายามทำใจให้สงบถ้าพิจารณาความตายไม่ได้แสดงว่าใจไม่สงบพอใจหดรูใจไม่อยากพิจารณาก็หยุดพิจารณาก่อนกลับไปทำใจให้สงบก่อนพอใจออกจากความสงบแล้วก็พิจารณา เพราะว่าจากที่ไปเนี่ยถามว่าในบางขนาดที่เราดูเราก็หดหูนะคะท่านเอรค่ะก็พยายามนึกถึงคําสอนของท่านอาจารย์ค่ะแต่เดี๋ยวบางทีมันก็กลับกลับเข้ามาในสู่ความหดหู่แล้วใจเรามันไม่สงบไงใจเรายังทํางานยังปรุงแต่งอยู่เลยถ้าใจสงบนะมันจะปรุงแต่งน้อยแต่ถ้าใช้ปัญญามันก็จะกลับไปสู่ความสงบได้ รู้สึกว่านี่มันเป็นการยากอย่างยิ่งเลยเพราะว่าพ่อพแม่ครูอจาย์ทุกองค์ท่านก็พยายามพูดกับจำโยแม่นะคะค<ช>ือได้สังเกตเลยว่าใกล้ๆโลวแม่ท่านเนี่ยเดี๋ยวเ๋ยวก็จะกลับมาตรงเดิมแล้วท่านก็จะมีความวนอยู่ที่เดิมนลท่านก็จะถามว่าทำไมถึงทําท่านทําไมไปทําท่านแล้วลืมไปไม่รู้ความจริงไงว่ามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นตุ๊ก<ช>ตาตัวหนึ่งนั่นเองใคจะทำว่าช่างหัวม่เป็นไร อมองผิดประเด็นไปมองว่าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นลูกเราอะไรนี้ก็เลยถ้าไปมองว่าเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งนะทำนั่นเองท่านมันจากดินน้ำลมไปต้องเห็นอย่างนั้นศัต่ว่าร่างกายศัต่ว่าผมขนเน็บฟันเหนือเอ็กระดูกไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไม่มีหมอบัณฑิตอยู่ในอาการการที่สองนั้นหมอบัณฑิตไปไหนแล้วไม่รู้ ที่เหลืออยู่นี่เป็นตุ๊กตาเนี่ ย, ยตัวนี้นี่ขนปั้นขึ้นมานั้นปั้นได้ใงให้เห็นว่าเป็นตุ๊กตาที่ร่างกายเนี่ ย, ยจะได้จะได้ไม่เดือดร้อนกับมันใ้ขนาดที่ขึ้น ล, ลูกทำงานเป็นเครืองบินเจ้าค่ะแล้วเวลาที่เอ อ, อากาศมันน่ากลัวมากคือลูกก็ในใจในใจลูกก็คิดว่าตายแน่ตายแน่ตายแน่ถึงเวลาตาย <c oughs> แต่มันยังมีมีลึกของจิตมันมีความแข็งใจมันเต้นไวแต่ว่ามันไม่ปล่อยแน่ไงมันไม่ปล่อยแน่มันแต่พูดแล้วแน่แต่ยังไม่ปล่อยแต่แล้ว ถ้ามันปล่อยจริงๆแล้วมันจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจจะว่าจะโล่งออกเลยสบายเพราะมันยังไม่ตายมันเหตุการณ์มันยังไม่ใกล้ชิดมันก็เลไยังไม่ถึงกับต้องปล่อยมันก็อะไยังไม่ปล่อยแต่ถ้ามันคิดว่าจะไปจริงๆนี่มันอาจจะปล่อยถ้าปล่อยแล้วมันก็จะเบาจะสบายเหมือนกับมันแยกออกจากกันร่างกายเป็นอะไรก็เป็นไปตายไม่ได้เป็นไร่างกายเการที่เราทำใจไม่ยึด ก็คือทําถูกต้องแล้วถูก<ช>ต้องยึดติดกับอะไรทั้งนั้นเพราะการยึดติดจะทําให้ใจเราทุกทรมานมถ้าเราไม่อยากทุกข์ทรมานเราก็ต้องปล่อยอเขาจะไปได้เขาไปแค่นั้นเองห้ามก่อไม่ได้ต้องภาวนาเยอะๆถึงจะทําได้ทําอย่างนี้ไม่มีทางไ ม, ม่มีต้องทำเป็นเดือนๆ เ, เ, เป็นกี่ีเลย ครบาอาจารย์นั่นนี่ท่านบวช ก, กันมากี่ปีท่านถึงนิ่งเฉยได้เวลาไปงานศบไปแล้วท่านก็เฉยพวกเราไม่ได้ทำอย่างท่านจะไปนิ่งเฉยได้อย่างไรค่ะหรว่า ท่านเจ้าหน้าที่ท่านท่านก็สงบนะคะพอเวลาที่กระสุนมาเนี่ยเข้าทะลุหัวใจเลยท่านก็เอามือประคองไว้แล้วท่านค่อยๆหลบค่อยๆนอนลงค่ะท่านรู้รู้รู้สติอยู่ตลอแต่ว่าคนร้ายนี่ใจร้ายมากยังยิงซ้ําอีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าท่านไม่อนุญาตให้ผ่าศพท่านเลยนะคะเพราะว่ากระสุนฝังในแล้วผายยังไงก็ไม่เจอค่ะอท่านไม่อยาก ต anyway? ั้งไหมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยท่านคงอยากจบท่านจบตรงนั้นท่านไม่ต้องการจองเวรจองกรรมอโหสิกรรมแต่แคนที่ทํา evet> นั้นเขาก็ยังต้องรับกรรมถึงแม้ท่านเจ้อาโหสิกรรมแล้วใช่อโหสิกรรมมันในส่วนที่ส่วนของท่านกับเขาแต่ส่วนที่เขาทำมันเขาก็ยังต้องไปไปรับใช้ของมันอยู่ต่อ เหมกับเทวทัตทำกับพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็อโหสิกรรมให้แต่กรรมที่ทํานั้นมันมนั่งไม่ได้มันก็ต้องไปรับใช้กรรมนั้นแต่จะไม่มีเวรจากจากพุทธเจ้ามามาทับถมอีกชั้นหนึ่งใช่ไหมถ้าเราจองเวรไม่จองใช่ไหมก้าเราจองเวรใครยังไงแล้วเราเข้ามาขออภัยแล้วเรายกโทษให้เขานี่เราก็ไม่ไปทําร้ายเขาละแต่เขายังต้องไปติดคุก ต, ต, ติดตารางอยู่ จากโทษที่กะทำอยู่การที่ทำร้ายนี้มันมีสองชั้นชั้นที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเองแล้วผลที่เกิดจากผู้ที่เราไปทำเราไปทำร้ายผู้นั้นแล้วผู้นั้นเขาก็มาทำร้ายเราแต่ถ้าเราไปขอขามาแล้วท่านให้อภยัยขอให้อภยัยเราก็ไม่ต้องรับผลส่วนนั้นเพราะเขายกโทษให้เรา แต่ผลที่เกิดจากการทำบาปนี้ก็ยังมีผลพราะมันทำจากในใจทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจร้อนอันนี้ก็ล้างไม่ได้มันจะต้องให้มันเกิดผลขึ้นมาแล้วหมดกำลังของมันไปอย่างเทวธาต์ต่อไปก็จะออกมาจากนรกแล้วก็กลับมาบาเพ็ญต่อได้ <c oughs> ไปเพืจะตามกันอย่างนี้เลยตามตามตามเอาคืนก็เวลาเจอกันเมื่อไหร่ที่ไหนก็คือจะจะฝังในใจใช่ใช่จะมีโอกาสที่จะทําร้ายเขได้ก็จะทําร้ายกอนีนี้ส่วนเรื่ออารมณ์ของคุณคุณแม่ท่านเนี่ยนะคะก็เหมือนกับผูกเวรใช่ไหมคะเพราะโกรธยังโกรธอยู่ยังโกรธอยู่ทุกครั้งเมื่อนึกว่าโกรยังแค้งค่ะคือจะนึกอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมถึงดิงท่านท่านไม่ได้ทําอะไร คือจะไม่หายนอันเนี่ยมันจะผูกไไม่ทราบว่าเป็นโกรธหรือว่าเป็นเพราะว่าเสียใจเสียใจมันก็แล้วแต่ถ่านอาจจะเสียใจแล้วก็เลยรับพันธนาออกมาว่าทาไมต้องเป็นอย่างนี้อะไรท่านนั้นเองคือท่านไม่เข้าใจหลักอนิจจังว่าเนี้ยมันต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนถึงเวลาก็ต้องตายด้วยกันตายก่อนตายหลังตายแบบถูกเยิงแล้วตายแบบไม่สบายมันก็ตายเหมือนกัน ไม่เห็นตรงนี้ไม่ยอมรับตรงนี้อย่างพระครูบาอาจารย์แค่ก็เห็นแล้วที่ว่าจบแล้วต่ทุกองค์ทั้งทุกอย่างทุกองทุกองนี้ตั้งแต่บวชมาก็ถูกสอนให้พิจารณามโนนามสติมาตั้งแต่เริ่มต้นท่านก็วิจารณาอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นส่วนหนึ่งของใจมันมองมันเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายอยู่ตลอดเวลาพอเกิดความตายขึ้นมามันก็ไม่ได้ไป ว้าวุ่นขุ่นวัวยอมรับโดยดุสเดียดเดิลูกขอขมาไหมเจพาคลูกลูกยังสับสนเกีย่ยวกับเรื่องถ้าเราแผ่เมตตาเจ้าค่ะพอเราแผ่เมตตาให้กับเจ้ากับมในเวรแผ่ไม่ได้หนระอไม่ได้ ค, คือความเมตตานี้ให้เราเป็นการแสดงความปรารถนาดีเวลาที่เราพบปะกับกบุ้คลอื่น เช่เวลาเราเจอคนนั้นคนนี้แทนที่เราเจะหน้าบื่งตึงด่าเขาว่าเขาก็ให้ทักทายนนยิ้มแย้มแจ่มใสถามสารวทุกสุดดิบเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่อยู่ตรงนี้แล้วก็นั่งแผ่ไปรอบจักรวาลไม่รู้ใครคนรับอยู่ที่ไหนมันไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นเป็นความเข้าใจผิดต้องแผ่เวลาที่คนเขาด่าเรา ด่าแล้วเราก็แผลเขาเอาไม่เป็นไรท่าไม่จองเงินถ้าไม่ถือโทษโกรธเครื่องเทอก็นั่นอย่านี้ก็แผลของแบบนี้มันยากมันไม่ชอบแผลชอบไปแผลแบบง่ายๆไงแต่แบบไม่มีคนรับมันก็ง่ายแผลแบบไม่มีเหตุมันก็ง่ายที่แผลก็เผื่อเวลามันมีเหตุอแผ่เมตตานี้เป็นเหวิญยาจาละงื่ความโกรธความอาฆาตพยาบาทเพราะความโกรธอาฆาตพยาบาทนี้มันทําให้ใจทุก าจเป็นใจเป็นไฟใจเป็นนรกถ้าเราแผ่เมตตาได้าจเราก็เย็นสบายไม่ต้องไปทำร้ายเขาแล้วก็ไม่ต้องไปรับผลของการที่เราไปทำร้ายเขาอีกต้องให้อภัยอย่างเดียวให้อภัยให้ความปรารถนาดีเห็ในใครก็อยากจะให้ความสุขกับเขาไม่ใช่ให้ความทุกข์กับเขาอย่างเวลาใครก็มีวันเกิดเราเอาความทุกข์ไปให้เขาหรือเรา ขอความสุขไปให้เขานั่นแหละแผ่เมตตาแผ่แบบนะั้นซื้อของขวัญไปให้เขาแบบไปอวยพรขอให้มีความอายุยืนยาวนานนะนี่แหละนี่ก็แผ่เมตตาไม่ใช่ไปวันเกิดเข า, าแช่งเขามืงตายเร็วๆนะี่ย <c oughs> อันนี้ไม่ใช่แผ่เมตตาเพราะนั้นแ ผ, แผ่ความอาฆาตทยาบาลราัต้ต้องต้องต้องแผ่ตอนที่มีคนรัก เป็นคนก็ได้เป็นโดยราฐานก็ได้เจอส่วนนัขเจองูก็แผ่ให้มันได้แต่พระพุทธเจ้าแผ่ให้ช้างช้างข่อยมาจะเจียบพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็แผ่เมตตาช้างก็ไม่ทําร้ายท่า mm hmm. นบนภูเขาท่านก็มีช้างจะมาท่านประวัติทั้งท่านจะมาดุลยกุติท่านยังไงเนี่ยท่านก็เลยออกมาคุยกับมันส mm hmm. นทานาท่น ตอนนายยุทสุดช่างเขาก็รู้ว่าเป็นมิตรกันเขาก็เลยไม่มาทำร้ายกุเตท่านอาจารย์ก็เป็นคนปกติท่นได้ท่านมีกำลังสมาธิเยอะใชปกติไปคุยกใช้ที่โดนยงพลังพลังต่างกันนี่งใช่แล้วแต่ละคน คนคนก็ต้องมีความสงบมันไม่ใช่คนแบบขี้กลัวอย่างนี้เรายังเคยเคยคุยกับงูเห่าเลย <laughs> เรานั่งอยู่บนแค่ภาวนาอยู่ข้างทางยมกลมแล้วเราก็พอดีเมินตาขึ้นมาเห็นให้เห็นคางคกตัวหนึ่งกระโดดรับรับมาแล้วข้างหลังมันก็ไอ้งูเห่ามันก็เดินตามมาแล้วเราก็ตะโกน ว, ว่าเ hey ฮ้ ทำอย่างนั้นไม่ได้นะเออบาปนะเว้ยแล้วเขาหยุดก็หยุดแล้วก็มองโคกโพธิศาให้ทางโคกมันไม่มีแรงมันจอดอยู่ตรงนั้นนี่เยมันนิ่งอยู่นี่ยเก็คุยกับมันอยู่สักพักหนึ่งไม่นานบอกให้ทำนี้ไม่ถูกนะอย่าไปทําร้ายเขาเหมันก็มันก็ฟังเฉยๆแต่มันไม่เชื่อมันทําท่าจะเข้าไปคุบมันจะเริ่มอ้าปากนะพอดีเรามีหนังเต็กอยู่แล้ว ยังติดปั้มมันได้หนีไปเลยมันรับไม่ได้่ทางเขาก็ยังไม่อยู่สักพักนึงแต่พอมันมันได้จะติจสนดงกลับมานั้นก็ไปุรื่องี้ค่งดีเลคะอันนี้แสดงว่าแผนไม่สเร็จท่านอาาร์เร็จท่าอาจรท่านงอางที่ท่านร์ไปปล่อยทุกข้าท้าวาฟังท่านอาจาร์ออกว่าที่มันตา์ตร เขารู้ภาษา ต, ตัวนั้นเนียตัวนั้นพอดีเราเห็นแต่แต่หางหมันเท่านั้นตอนที่ตอนที่เราไปติดประตูมันมันเข้าไปกินมันไปไม่ไปติดอยู่ในวัดแล้วมันไปกินพวกกระรอกกระแตหลวงตามท่านเลยบอกว่าให้ไปเปิดประตูให้มันมันจะได้มีทางออกไปแล้วพอดีตอนเช้าก่อนจะบิพิธบาร์เราก็ไปปิดพอดีเห็นมันเห็นหางมันอยู่ข้างนอกแล้วก็ออย ตัวใหญ่เหมือนกันตัวเท่ากับเท้าอย่างเงี้ยดำสีดำยาวแล้วได้ขาวว่าไม่นานมันก็ถูกชาวบ้านฆ่าตายคือถ้าปล่อยมันไว้มันก็กินกับรอดก็แต่อะไรต้องเปิดประตูให้มันออกถ้ามันอยากจะออกก็ออกถ้าไม่ออกก็ต้องไปเปิดอยู่หลายวันด้วกันอะอันนี้ก็เป็นการเมินผูกเหมือนกันเหมือนกันไหมคะหรือว่าเป็นมันเป็นการหากินของเขา หรือเป็นกรรมเวรผูกค่ะส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นกรรมของเขาที่มาเกิดที่จะต้องไปกินสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็ยังต้องทำบาปทบาบาปก็ลองไปใช้บาปมันก็เลยตอนก่าจะไปเกิดเป็นสัตว์ที่ไม่ต้องกินสัตว์เช่นเป็นกินหญ้ากินวัวกิ น, กนเป็นวัวเป็นควายกินผักกินหญ้ามันก็ไม่ต้องไปทำบาปแล้วมันก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ออกจากเดรัจฉ า, านมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปได้ แต่ถ้ามันยังเกิดเป็นสัตว์ที่ต้องกินกันอยู่มันก็ยังต้องเว้นวันอยู่นั้นไปก่อนเห็นอันตรายน่าบาปนี่นอย่าไปทำพยายามรักษาสี่ห้าให้ได้ตลอดเวลาแล้วจะได้พ้นจากกระบายเอาลวนะอนนะขอบคุณเลย